ตอนนี้ขอให้ญาติโยมนั่งสมาธิกันไปทางพางก่อนเพราะฝนตกเสียงดังมากพูดไปก็จะไม่ได้ยินเวลานี้เหมาะกับการนั่งสมาธิอากาศเย็นสบายไปไหนก็ไม่ได้เหมือนกับป็นประตูตีหมาตอนนี้หมามันไปไหนไม่ได้นั่งสมาธิจะสงบง่าย ขอให้เรามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้จะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ขอให้เราอย่าไปสนใจกับอะไรนอกจากคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราเป็นพวกปัญญาอบร ม, มสมาธิก็ให้ท่องอาการสาสิสองไป อาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะสงบใจจะมีความสุขตอนนี้ขอนั่งสมาธิกันไปจนกว่าฝนจะหยุดถ้าท่านนั่งไม่ได้อยากจะกลับบ้านก็ก็กลับได้ไม่ได้บังคับให้นั่งไปตลอดแต่ตอนนี้ทำไรไม่ได้ นอกจากนั่งสมาธิเท่นนั้นตอนนี้ผมผนก็ได้เบาลงทกเราวันนี้ก็ได้มา นั่งสมาธิกันแทนที่จะฟังเทศฟังธรรมเนื่องจากเสียงมันจะดังพูดรรมะแล้วก็จะยากต่อการได้ยินได้ฟังฟังแล้วก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์ได้อัธรรถเท่าที่ควรเราจึงใช้เหตุการณ์นี้ มาทำให้พวกเรามานั่งสมาธิกันซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะเรานานๆจะนั่งสมาธิกันสักครั้งหนึ่งถ้าไม่บังคับหรือไม่มีเหตุการณ์บังคับใจของเราจะไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิใจชอบ ออกมาคิดกับเรื่องราวต่างๆคิดแล้วก็เกิดความอยากที่จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะออกไปทําการอะไรต่างๆทำแล้วก็เหนื่อยเกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมาไม่ค่อยมีความสุข แม้จะได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้แต่สิ่งที่เราได้มานั้นไม่ได้ทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขเพียงแต่ทำให้มีความรู้สึกดีอกดีใจแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องไปทำตามความอยากอีก เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเพราะเราจะพูดว่าไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิกันเลยก็เพราะว่าเราใช้เวลาไปกับการทำความทำตามความอยากต่างๆนั่นเอง ถึงไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันดังนั้นเราต้องหาอุบายหาสิ่งที่จะดิมให้เรากับเข้ามานั่งสมาธิกันให้ได้สิ่งที่เราควรที่จะลำเลิกอยู่เรื่อยๆ ที่จะทำให้ใจของเราลดละความอยากทำเรื่องราวต่างๆได้ก็คือให้คิดถึงความตายบ้างให้คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างให้คิดถึงความแก่บ้างถ้าเราคิดถึงความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่เราก็จะถามตัวเราเองว่า แล้วเราจะทําไปถึงไหนทําไปถึงเมื่อไหร่เวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตายเราทําไม่ได้แล้วของที่เราได้มานั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาไปกับเราได้ไม่สามารถใช้เป็นที่พึ่งทางใจได้เพราะเวลา มีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาใกล้จะตายเราไม่สามารถทําตามความอยากต่างๆได้พอไม่สามารถทําได้ใจก็จะมีความทุกข์ทรมานใจถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะได้ลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไป เพื่อที่เราจะได้กลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้นั่งอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องใช้ร่างกายทํานั่นทนํานี่เวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจของเราก็ยังสามารถมีความสุขได้มีความสุขจากการทำใจให้สงบได้ ถ้าเราหมั่นถึกทําบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆต่อไปเราจะไม่ต้องมาวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายที่จะต้องแก่ลงไปตามลำดับที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะต้องตายจากเราไปเราจะไม่ทุกทรมานใจ ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งแล้วถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีสมาธิธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเราถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือขึ้นสู่ขั้นปัญญาได้เราก็จะมีที่พึ่งที่ถาวาร สมาธินี้เป็นที่เพื่องชั่วคราวชั่วเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในสมาธิใจของเราจะสงบจะสบายเช่นตอนนี้ฝนตกทำอะไรไม่ได้ถ้าใจไม่สงบี้ใจจะรู้สึกหลุดเหยียดําพาญใจเพราะอยากจะไปทำนั่นทานี่แต่ก็ไปไม่ได้ไปออกไปข้างนอกก็เปรียบฝน แต่เรามาทําใจให้สงบนั่งสมาธิกันได้แทนที่จะโกรธเหยียดลําพานใจเรากลับมีความสุขใจมีความสบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสมาธิใจของเราก็จะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เราก็ต้องเอาใจ เอาปัญญามาสอนใจปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรู้คืออริยสัจ ส, สี่ที่สงสอนให้พวกเราละความอยากกันเพราะความอยากจะทำให้ใจเราโกรเหยียดลำคาญทำให้ไม่สบายใจทำให้ทุกข์ใจวิธีที่จะหยุดความอยากก็คือไม่ต้องทำตามความอยาก หรือพิจารณาสิ่งที่อยากให้เห็นว่าไม่น่าอยากได้เช่นเราอยากได้ของชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้เราพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่ง น, นั้นว่าสิ่งนั้นเราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูนเขาไปเสียไป แล้วเราก็จะต้องหาสิ่งใหม่มาทดแทนถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะได้หยุดความอยากได้เพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานั้นก็ให้ได้เพียงชั่วคราวช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเวลาเขาไม่อยู่กับเราเวลานั้นก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความอยากกับสิ่งของอันนั้นเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเราจะไม่เหลือดร้อนเช่นคนที่ติดบุรหรี่แล้วติดโซราเขาก็อยากจะดื่มโซลาอยากจะสูบบุหรี่พอเกิดความอยากเขาก็ต้องหยิบบุหรี่มาสูบหยิบโซรามาดื่ม แต่เวลาที่ไม่มีสุราหรืมไม่มีบุหรี่สูบเขาจะกอดเย็ดลาคาญใจเขาจะทุกข์ใจแต่ถ้าเขาฝืนไม่สูบบริเวลเวลาเกิดความอยากสูบไม่ดื่มสุราเวลาเกิดความอยากจะดื่มสุราต่อไปความอยากจะหายไปพอหายไปแล้วทีนี้ก็จะไม่เดือดร้อน มีสุรามีบุเริหรือไม่ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่มีความอยากนั่นเองคนที่ไม่อยากดินมรซาไม่อยากสู่บุเริจึงไม่เดือดร้อนเหมือนกับคนที่อยากดื่มโาอยากดื่นบุเริอยากสู่บุเรความอยากนี้ก็เป็นไปได้กับทุกเรื่อง อยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้ใจต้องกระวนกระวายกระสับกระสายต้องเด่นรนวุ่นวายกับการหามาเวลาหาไม่ได้ก็หดหดลำพานใจเสีย อ, อกเสียใจถ้าไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขทุกข์เพราะว่าเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความอยาก ในรลาบยศสรรเสริญใน้รูปเสียงกิดรถเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่เดกอรอนเวลาเขาอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลถ้ามีความอยากจะกังวลว่าจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าจะจากไปเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่ก็จะมีความทุกข์ ทั้งในขณะที่ยังมีอยู่และมีความทุกข์ในขณะที่สูญเสียไปมีความทุกข์ในขณะที่อยากได้เวลาอยากได้ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องออกไปหาสิ่งที่อยากได้มานี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อละความอยากต่างๆพอเราเห็นว่า ความอยากนี้เป็นทุกข์และสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นทุกข์เราก็จะหยุดความอยากไม่อยากพอไม่อยากแล้วก็สบายอยู่เฉยๆได้ใจพอไม่มีความอยากใจก็จะสงบตัวลงกลับมาเป็นเป็นสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ อยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็จะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเรารู้ว่าเขาไม่มีความสุขเหมือนกับเรามีเพราะเราเคยมีเหมือนเขามาแล้วเมื่อก่อนเราก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่ มีความสุขเหมือนกับตอนที่เราไม่มีอะไรในตอนอย่างในตอนนี้เราอยู่เฉยๆทําใจให้สงบระงับความอยากได้แล้วก็ใจจะสบายไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาสั่งใสให้ไปทํานั่นทนํานี่ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา นี่คือปัญญาถ้าเราเอามาใช้สอนใจอยู่เรื่อยๆเราจะละความอยากได้พอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจใจของเราก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไปเพอความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากการมีหรือการไม่มีไม่ได้เกิดจากการได้หรือเกิดจากการเสียเกิดจาก ความอยากเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราใช้ปัญญาสอนใจเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้รับประทานหรือดื่มอาหารเครื่องดืมชนิดนั้นชนิดนี้ก็อย่าไปทํา นอกจากถึงเวลาที่ต้องทำเช่นถึงเวลารับประทานอาหารถึงเวลาดื่มน้ำเติมอาหารเติมน้ำมันให้กับร่างกายเราก็ทำเหมือนกับเราเติมน้ำมันให้กับรถยนต์เวลาน้ำมันหมดรถยนต์วิ่งไม่ได้ก็ต้องเติมน้ำมันถึงจะวิ่งได้ร่างกายก็เช่นเดียวกัน เมื่ออาหารในท้องหมดก็ต้องเพิ่มเติมอาหารเข้าไปในท้องมาเพื่อที่จะทําให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้แต่ยาเติมอาหารเติมเครื่องดื่มเข้าไปตามความอยากถ้ายังไม่ถึงเวลาเติมก็อย่าเติมเช่นเรากําหนดเวลาเติมอาหารวันละหนึ่งครั้งเราก็จะเติมเทเวลานั้นเวลาเดียว นอกเวลานั้นแล้วเราก็จะไม่เติมถ้าดื่มน้ําก็ดื่มแต่น้ําเปล่าเพราะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการส่วนกลิ่นสีรสของน้ําชนิดต่างๆนี้ไม่จําเป็นต้องเติมให้กับร่างกายถ้าจะเติมก็เติมตอนที่ดื่มตอนที่รับประทานอาหารตอนนั้นครั้งเดียวก็อยากจะดื่มเครื่องดื่ม ช น, นิดไหนก็ดื่มไปน้ำชากาแฟ <c oughs> หรืออะไรต่างๆแต่ให้ดื่มเพียงครั้งเดียวพร้อมๆกับอาหารไปหลังจากนั้นเล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปอันนี้เป็นการลดความอยากต่างๆต่อไปเราจะดื่มน้ำเปล่าเฉยๆได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับการที่จะต้องไปคอยหากาแฟมาดื่ม หาเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้มาดื่มหาขนมน ม, นมเนยมาขบมาเคี้ยวเวลาที่ยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารเราก็จะวุ่นวายกับการหาของเหล่านี้แทนที่จะมีความสงบมีความสุขกับการทำใจให้สงบเราก็จะไม่สามารถทำได้นี่คือ สิ่งที่เราต้องพยายามกำจัดให้ได้ก็คือความอยากต่างๆความอยากนี้เปรียบเหมือนกับเป็น เ, เจ้านายของเราเรานี่เป็นเหมือนทาสของความอยากถ้าเราอยากจะเป็นอิสระไม่อยากจะเป็นทาสอยากจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องการให้ใครมาสั่งให้เราทำนั่นทำนี่เราก็ต้องต่อสู้กับความอยาก ฝืนความอยากอยากทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดอำนาจไปเพราะมันไม่สามารถสั่งให้เราทำตามคำสั่งของมันได้เราก็จะเป็นอิสระเราก็จะอยู่แบบคนอิสระอยู่อย่างสงบสุขอยู่อย่างสบายใจนี่แหละคือ <c oughs> เป้าหมายของการปฏิบัติ เพื่อปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดพ้นจากอำนาจของความอยากต่างๆเพราะถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ความอยากนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ดีเพราะมันมีแต่ความทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการหาเลี้ยงดูร่างกาย แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการแก่ของร่างกายมาทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วก็มาทุกกับความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่สามารถเอาชนะความอยากได้พระพุทธเจ้าท่านชนะความอยากแล้วพระสาวกทั้งหลายท่านชนะความอยากแล้ว เราก็สามารถชนะได้เช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าได้สรงมอบเครื่องมือหรือวิธีการต่อสู้กับความอยากไว้ให้กับพวกเราแล้วนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมนี่เองการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญานี่คือเครื่องมือที่จะทำให้เราทำลายความอยากทั้งหลาย ให้หมดไปจากใจของเราได้ขอให้พวกเรานำมามาใช้เท่านั้นเองถ้าเรามาใช้แล้วเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆได้เหมือนกับยาที่หมอให้พวกเรามารับประทานเพื่อมาทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ภายในร่างกายถ้าเรานำยาที่หมอมาให้รับประทานเข้าไปยาก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรค โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะหายจากร่างกายไปเพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนหมอส่งให้ยาคือธรรมโอสถกับพวกเราก็คือสติสมาธิปัญญาขอให้พวกเรานำมามาปฏิบัติกันเถิดแล้วต่อไปใจของเราก็จะหายจากโรคของความทุกข์ทรมานใจนี่เอง ถ้าเราอยากจะหายเราก็ต้องทาตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนน้อมเอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้ามาใส่เอาเข้ามาใส่ใจของเราแล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกต่อไปเพราะ ไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเองดังที่ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบใดยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ไม่เหเพราะฉะนั้นขอให้เราน้อมเอาคําสอนน้อมเอาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรานี้มาปฏิบัติกันเถิดเพื่อความสุข ความเจริญที่ถาวรคือปรมังสุขขังที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาเทิงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะาถาวารวาหาปุราปาริปรุเรนติสาการัง เอวเมว a ิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปเมววัสมิจตุสัพเพปุเรนตสจังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุ สัพพะโรโควินสัสสตุมาเตภวทวันตรายยสุขีธีทายุโกภวะอัพิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวะทานติอายุวะโนสุขังทารา วันนี้ถ้าจะตอบปัญหาก็ตอบเฉพาะสำหรับท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าใครอยากจะถามปัญหาอะไรก็ขอเชิญถามได้ส่วนปัญหาทางอินเทอร์เน็ตที่เขาฝากมาจะขอเก็บไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าอาจจะยาวแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยพร้อมก็รายิโยมส่วนใหญ่ก็กลับกันไปหมด ก็เลยขอผัดเอาไว้วันพรุ่งนี้สําหรับปัญหาที่ถามมาทาง facebook แต่ถ้าใครที่อยู่ที่นี่มีปัญหาอะไรอยากจะถาม mm hmm. เกี่ยวกับธรรมะนี่ถามได้จะทำขั้นไหนก็ได้อยากขั้นศีลก็ได้ขั้นทานก็ได้ขั้นสติขั้นสมาธิขั้นวิมุตติขั้นปัญญาก็ได้ถามได้ทุกขั้นนะครับ ้าตอบได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึน่งอ่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นหลักถ้ามีสติมาแต่นั่งเดิมบางทีนั่งห้านาทีก็ก็สงบได้มีนักปฏิบัติบางท่านไม่เคยนั่งมาก่อน พอได้รับคาสอนใ ห, ให้นั่งพอลองนั่งดู5นาทีจิตก็สงบได้นี่แสดงว่ามีบุญเก่าคือสร้างสติมาไว้มากพอให้บริกรรมพุทโธพุทโธก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยพุทโธอย่างต่อเนื่องนีห้านาทีก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้า สติไม่ดีนี่นั่งไปเป็นชั่วโมงก็ไม่สงบนั่งไปพูดโทได้สองคำก็ไปคิดถึงขนมแล้วคิดถึงเครื่องดื่มแล้วคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้ถ้านั่งอย่างนี้ไปจะไม่ถือว่าเป็นการนั่งภาวนาถือว่าเป็นการนั่งพงซ้านนั่งปรุงแต่งถ้าจิตใจมีความคิดปรุงแต่งนั่งไปนานเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่สงบได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาเพื่อมาหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อนเช่นในชีวิตประจำวันเราก็ให้ใช้การท่องพุโทโธพุโทโธไปในใจไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่ถ้าการกระทําของเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธคอยควบคุมความคิดที่ไม่จำเป็นไม่ให้คิดเช่นเวลาเราอาบน้าแต่งเนื้อแต่งตัว ทำกับข้าวกับปลาอาหารอะไรเหล่านี้เราไม่ค่อยต้องใช้ความคิดมากถ้าเราไม่มีพุโทโธเราก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปแล้วพอเรามานั่งสมาธิมันก็จะเป็นแบบเดียวกันพอจะนั่งให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปเพราะมันถูกปล่อยให้คิดอย่างนี้เป็นนิสัยไปดังนั้นเราต้องมาเปลี่ยนนิสัยใหม่ ลองมาฝึกใจให้เราหยุดคิดให้คิดเท่าที่จําเป็นถ้าคิดเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันเช่นเวลาเราอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธก็ขอให้อยู่เฝ้าดูการกระทําของเราไปกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่การแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็ให้อยู่การล้างหน้าอย่าให้ไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิจะสงบได้เร็วเนี่ยคือนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาให้ได้ก่อนก็คือสติสัมปชัญญะสติก็คือการระลึกรู้สัมปชัญญะก็คือการระลึกรู้อย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะถ้าเราเลึกรู้เป็นพักๆนี่ยังเรียกว่าเป็นสติอยูญญ่แต่ถ้าเราเลึกรู้ได้อยา่างต่อเนื่องก็จะเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะ ถ้าเป็นสัพพัญญาและวเวลานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบกันรู้ว่านั่งสมาธิก็นั่งเลยรู้ว่าให้พุโทโธก็พุโทโธเลยแต่เวลาที่ไม่ได้นั่งก็ไม่เคยจเจริญสติเลยปล่อยใจให้คิดเรื่อยเปิดไปกับเรื่องราวต่างๆไปกับเหตุการณ์ต่างๆ พอนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยได้ความสงบอาจจะได้บ้างแต่เล็กๆน้อยๆเป็นผิวเป็นเปือกอยาเข้าไปไม่ถึงแก่นของสมาธิแก่นของสมาธินี่ก็คือจิตนิ่งสงบสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอเบกขาสักแต่ว่ารู้อันนี้แหละเป็นเป็นแก่นของสมาธิ ที่ต้องใช้สติมากถึงจะเข้าไปถึงในแก่นได้เพราะว่าสตินี้จะเป็นตัวดันจิตเข้าไปส่วนกิเลสตัณหาความอยากก็เป็นตัวดันจิตออกมาการที่เรานั่งแล้วไม่สงบก็เพราะว่าความอยากของเราคอยดันจิตของเราให้ออกมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งแล้วได้ผล เราก็ต้องเจริญสติไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยลองทำดูสิลองกำหนดเป้าหมายว่าวันนี้จะท่องพุทธโธไปภายในใจเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดจะใช้จะคิดแต่พุทธโธพุทธโธไปเนี่ยดูซิว่าจะทำได้มากน้อยเพียงไรแล้วตัวนี้แหละจะเป็นตัววัดตัวตัวชี้ผลของเราต่อไปถ้าเรามีพุทธโธอยู่ในใจของเราอย่างต่อเนื่อง เวลานั่งสมาธินี้มันจะสงบได้อย่างง่ายดายดนั้นก็ขอให้เราไปฝึกสติกันแล้วก็นั่งสมาธิกันคือนั่งเวลาที่เราไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆอย่าไปเสียเวลากับการนั่งดูทีวีนั่งดูการบ้านการเมืองดูแล้วก็ปวดหัวเครียดไปเปล่าๆดูแล้วก็ไปทําอะไรไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ขอให้เราทำหน้าที่ของเราส่วนของเราไปก็แล้วกันเป็นพลเมืองที่ดีเคารพกฎหมายสร้างอยู่ในความสงบไม่ไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเท่า น, นี้ก็พอแล้วเป็นสิ่งที่เราทำได้เท่า น, นี้ส่วนคนอื่นจะออกมาสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนจะมาทำลายชาติบ้านเมืองอนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมของประเทศเราไปก็แล้วกันที่มีคนอย่างนี้มาเกิดซึ่งเราก็ มันก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ใครทำอะไรไหวเขาก็ต้องรับผลของเขาต่อไปอย่างแน่นอนเพราะกฎแห่งกรรมนี่เป็นของตายตัวไม่มีการต่อรองไม่มีการมีซื้อซื้อเสียงได้เหมือนกับซื้อซื้ออย่างอื่นกฎแห่งกรรมนี่เวลามันส่งผลแล้วมันแสบมันปวดมันทรมาร ฉั้นขอให้เราทำใจว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาวุ่นวายมากังวลหน้าที่ของเราคือมาทำใจของเราให้สงบฉะนั้นปิดทีวีอย่าไปติดตามเรื่องการบ้านการเมืองรู้เพลงเล็กๆน้อยๆก็พออ่านแค่หัวข่าวก็พอดูว่าวันนี้ไปถึงไหนแล้วแค่ น, นี้ก็จบแล้วเราก็กลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบจะดีกว่า เพรในที่สุดพวกเราทุกคนก็ต้องทิ้งบ้านเมืองไปกันทั้งหมดอหะมีใครอยู่ไปตลอดเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละใครจะได้มากได้น้อยมันเดี๋ยวก็ต้องทิ้งกันไปหมดงั้นไม่มีใครเอาอะไรไปได้งั้นเราอย่าไปวุ่นวายกับของภายนอกไม่สําคัญเท่ากับของภายในคือความสงบของใจเราขอให้เราพุ่งมาที่ตัวนี้แล้วเราจะอยู่อย่างสุขแล้วก็ไปอย่างสุข และอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปด้วยเอาแล้วนะขอให้ท่านเอาเอาที่สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติกันในวันนี้เอาไปเจริญต่อเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิดพอดีหมดเวลา